สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวตรพระเยซูตอนที่สามร้อยหกสิบสี่เรื่องพระเยซูทรงสงสารกรุงเยรูซาเล็มพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในลูกาบทที่สิบสามข้อที่สามสิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิบห้าลูกาบทที่สิบามข้อที่สามสิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิห้าโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า คั้งนั้นพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระเยซูว่าท่านจงออกไปจากที่นี่ไปที่อื่นเถิดเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระองค์ตรัสว่าไปบอกเจ้าชูนักกิ้งจอกท่านว่าเราจะขับผีและรักษาโรคให้ผู้คนในวันนี้และในวันพรุ่งนี้และในวันที่สามเราจะบรรลุเป้าหมายของเราอย่างไรก็ตามเราต้องดําเนินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันถัดไป เพราะย่อมไม่มีผู้เผยพระชนะคนใดตายนอกกรุงเยรูซาเลม็มโอ้เยรูซาเลม็มเยรูซาเล็มเอย๋ยเจ้าผู้เข็นข่าเราผู้เผยพระชนะแล้วเอาหินขวางบรรดาผู้ที่ทรงสง่งมหาเจ้าเราปรารถนาอยู่เนืองๆที่จะรวบรวมลูกๆของเจ้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ยอมเลยดูเถิดนิเวศของเจ้าถูกทิ้งร้าง เราบอกเจ้าว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะพูดว่าสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพันนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับข้อนี้เป็นข้อที่ปิดท้ายในการสอนของพระเยซูในบทที่สิบสามพวกคริสีบางคนที่ฟังอยู่นั้นก็มาถามพระเยซู แล้วก็บอกกับพระเยซูบอกว่าขอให้พระเยซูออกไปจากที่นี่เถิด <c oughs> เพราะว่าเรื่องราวนั้นก็ไปถึงเฮโรดแล้วเฮโรดก็จะประหารชีวิตของพระองค์เสียเฮโรดคนนี้คือเฮโรดแอนติพัสซึ่งเป็นลูกของเฮโรดที่ครองอํานาจพรอนที่พระเยซูประสูตดแม้เป็นเฮโรดรุ่นลูกครับและครอบครองอยู่เหนือกาลิลีเพอรีย และอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มด้วยพระเยซูตรัส ว, ว่าจงไปบอกสุนักยิ่งเจอกคําว่าสุนักยิ่งเจอกนั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ไล่ล่าเฮโรดนั้นพยายามที่จะไล่ล่าพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงตั้งฐานปฏิบัติการของพระเยซูที่แคนการิลลีครับก็คือเมืองคาเปอร์นาอูมนั่นเองและพระองค์ก็ได้บอกให้ไปบอกกับเฮโรดบอกว่า เราจะขับผีออกในวันนี้ในรักษาโรคในวันนี้และในวันพรุ่งนี้และเราจะทําให้สําเร็จในวันที่สามเเยซูหมายถึงวันที่พระองค์ทรงคืนพระชนเป็นเครื่ายความตายแต่เวลานั้นไม่มีใครเข้าใจครับคําว่าสุนักยิ่งจอกนั้นยังมีความหมายถึงความเจ้าเล่ห์นะครับของนักการเมืองนักปกครองคํานี้ในเชิองอักษรศาสต ร, ร์ของพวกธรรมาจารย์ ใช้อธิบายถึงคนที่ไม่มีค่าคนที่ไม่มีความสําคัญครับแต่ว่าเป็นคนดุร้ายเป็นพวกนักปกครองนักผลประโยชน์การติดท้ายของพระเยซูในวันนั้นพระเยซูทรงกันแสงหรือเราอาจจะเรียกว่าพระเยซูสงสารสงสารและเห็นอกเห็นใจเยรูซาเล็มมากเยรูซาเล็มนั้นมีความหมายถึงชาวกรุงเยรูซาเล็มครับแล้วพระเยซูจัดกับชาวเยรูซาเล็ม ว่าเจ้าได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะเอาหินคว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าให้ถึงตายเราค่อจะรวบรวมลูกของเจ้าไว้หนึ่งเนืองเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอคคำเปรียบเทียบที่พียซูทรงใช้เป็นภาพสวยงามของลูกลูกไก่ครับลูกไก่ที่มีแม่ไก่กกมันอยู่ครับความสวยงามนี้ทำให้เราเห็นถึงความรักของ พระเจ้าเวลาที่พระองค์ได้ปกป้องลูกของพระองค์เวลาที่แม่ไก่นั้นให้สัญญาณกับลูกๆโดยการร้องกระตากกะตากรวบรวมลู ก, กไก่ไว้ใต้ปีกแล้วพาลูกไก่เข้าไปอยู่ในที่กำบังกำบังจากอะไรครับกาบังจากเหยียว่วจากงูจากสัตว์ที่ไล่ล่ามันพี่น้องครับเพราะเจา้าของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่า พระเยซูซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นก็มีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะให้เรามีความร่มเย็นให้เราอยู่เย็นแตนจุกครับให้เราเวลาที่ได้รับอะไรก็ตามซึ่งเป็นวิกฤตของชีวิตหรือการไล่ล่าจากสุนักขกิ้งจอกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราที่จะทำอันตรายเรานั้นทรองปรารถนาที่จะให เรานั้นได้ชุกอยู่ใต้ปลีกแห่งความรักของพระองค์ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เรื่องนี้นะครับพระเยซูก็ละจากพวกเขาไปโดยตรัสว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระ้เนเจ้าทรงพระเจริญนี่คือข้อพรมภีที่ยกมาจากพระธรรมสุตตบทที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับพระกัมปีสุต ด, ดิบทที่หนึ่ง้ยสิบแปดข้อที่ยี่สบก พี่นะครับตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูหมายถึงนะครับสองอย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับเข้ากรุงเยรูซาเล็มในวันตามสันเดย์หรือในวันทางตานนะครับเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตตอนที่พระเยซู ย, ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังดําเนินพระราชกิจของพระองค์อยู่ในโลกนี้งั้นเป็นความเป็นไปได้ นะครับหรือการตีความหมายประการแรกความตีความหมายการตีความหมายประการที่สองก็คือพระเยซูหมายถึงการเสเด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ครับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยะซูนั้นจะเสเด็จมาผ่านทางประตูทางตะวันออกนะครับของกำแพงเยรูซาเล็มหรือกำแพงพระวิหารพระเยซูหมายถึงวันที่พระองค์จะเสเด็จมาอย่างผู้พิชิต ในแง่ของพระเมสิมยาห์ผู้มาปกครองและผู้วิพากษาครับสังเกตดูนะครับในข้อที่สามสิบสี่เยซูตรัสคำว่าเยรูยซาเล็มถึงสองครั้งอารมณ์อันแรงนะครับหมายความว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกเครียดนะครับอารมณ์ที่มีความรู้สึกถูกกดการมากของพระเยซูถูกแสดงออก โดยย้ำคําของพระเยซูนะครับ <c oughs> พระเยซูตรัส ด, ด้วยอารมณ์ของมู้สึกกับผู้ที่ติดตามพระองค์พี่น้องครับเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่ายุคสุดท้ายแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้ายนั้นก็จะมีการ <c oughs> เรียกว่ามีปัญหาเกิจกรรมพระวิหารครับวันนี้ผมอยากจะ แถมเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารนะครับเพื่อให้พี่น้องได้สังเกตว่ามันเป็นไมายสาคัญอย่างหนึ่งครับไปเป็นหมายสาคัญอย่างหนึ่งที่แสดงว่าพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองนั้นใกล้เข้ามาม า, มากมากมากๆจริงๆเพียงครับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมานั้นกษัตริย์จอร์แดนและประธานเทบดีแห่งปาเลสไตน์นะครับหารือและลงนามในข้อตกลงร่วมปกป้อง กรุงเยรูซาเล็มนะครับที่วังในกรุงอัลมานอันนี้เป็นข่าวอยู่นะครับปาเลสไตน์และจอร์แดนนั้นต่างก็ย้ำเน้นถึงจุดหมายร่วมที่จะป้องกันเยรูซาเล็มและาศาสนาจักรของเข า, าศาสนสถานของเขาด้วยจากความพยายามของคนยิวครับที่จ ะ, ะทำลายมัสยิดที่อยู่บนโดมออฟเดอะร็อกนะครับที่ชื่อว่ามัสยิดอาอักษอ การทำข้อตกลงประวัติศาสตร์ครั้งนี้ <c oughs> ย้ำครับว่าทั้งสองประเทศนะครับมีสิทธิและเป็นผู้คุ้มกันสถานศักดิ์สิทธิ์อาอัคซอซึ่งเป็นสุราของศาสนาอิสลามข้อตกลงนั้นย้ำถึงปรวัติศาสตร์ที่จะต้องร่วมกันปกป้องเยรูซาเล็มและสถานสถานให้พ้น จากอิสราเอลที่จะทำให้เหมือง น, นี้เป็นเมืองของอิสราเอลอย่างแท้จริงพี่น้องครับชาวยิวนะครับชาวยิวเนี่ยถือว่าสถานที่นี้เป็นเทมเ l ิลเมาน์ครับก็คือเป็นภูเขาที่เป็นที่ตั้งของพระวิหารในขณะที่มุสลิมนั้นเขาถือว่ามัสยิดอาอักซอหรือที่มุสลิมเรียกกันว่าอาฮารอมอาลซาริฟ เป็นศาสนาสถานที่สำคัญเป็นอันดับสามรองจากเมกกะรองจากมาดีนาในซาอุครับที่ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเปราะบางครับมักจะมีการประทะระหว่างชาวปาเลสไตน์กับกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลบ่อยครั้งพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับว่า t e มเ l ิลเม n า์หรือบริเวณที่ตั้งของวิหาร ของกษัตริย์เทโรธที่ทําไว้สําหรับชาวยิวนะครับเพื่อให้เรียกว่าเ <c> ก <oughs> ิดความนิยมชมชอบหรือเรียกร้องคะแนนเสียงจากคนยิวเฮโรดนั้นสร้างพระวิหารสวยงามมากครับเพื่อเอาใจคนยิวแต่ว่าปีวิหารนี้ถูกทําลายลงในปีคศเจ็ดสิบนะครับระเยซูกันแสงเพื่อพระวิหารนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิฐทุกก้อนนะจะไม่ถูกตั้งอยู่ที่เดิม นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาศัตรูนั้นเข้ามาทําลายศัตรูนี่คือคือว่าโรมครับกองทัพโรมนั้นได้ทําลายเยรูซาเล็มนะครับและพระวิหารร้านในสมัยต่อมาครับก็มีการครอบครองนะครับจากอาณาจรรักรหลายอาณาจรรักรครับจนกระทั่งสุดท้ายนั้นก็ตกมาอยู่ในอาณาจรรักรของมุสลิมเขาก็สร้างสุเหร่าขึ้นมาทับกับนะครับอยู่บริเวณเดียวกันกันกบที่เ อับราฮัมนั้นได้ถวายบูชาอิสอักนะครับตรงนั้นเองครับคนยิวนั้นก็เรียกร้องว่านี่คือสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนยิวนครับในสมัยใหม่นี้นะครับในปี1967หลังสิ้นสุดสงครามโลก6วันอิสราเอลก็ยึดฝั่งววก็คือฝั่งตะันออกของเยรูซาเล็มซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอาหรับมาจากจอร์แดนได้ ก่อนที่จะผนวกให้เป็นของอิสราเอลโดยประชาคมโลกนั้นก็ไม่ยอมรับตอนนั้นนะครับปาเลสไตน์เองก็ต้องาการให้เยสรมตะวันออกเป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามหรือเกิดการแย่งชิงนะครับบริเวณโดมอ of the r ร c อกหรือ Temple ลเม n า์ได้อันนี้เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึง การเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ในครั้งที่สองครับก็คือเสด็จมาเพื่อที่จะมาปกครองเพื่อที่จะนําการพิพากษามาเที่ยวนี้พปร่งมานะครับด้วยความเข้มแข็งครับไม่ได้ด้วยท่าทีของการรับใช้เหมือนกับสองพันปีที่แล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะตระหนักถึงความเร่งด่วนของการประกาศพระกิติคุณนําดวงวิ ญ, ญญาณมาถึงพระเจ้า เพื่อที่ทุกอย่างนั้นจะได้เป็นไปตามน้ำมัยของพระองค์จะได้มีคนอีกมากมายที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อาเมน